สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งขอแทนชื่อได้ยสาซึ่งอยากจะเล่าพร้อมมีคำถามบางคำถามที่ยังคาใจและหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อห้าปีก่อนสมัยที่สาขึ้นกรุงเทพมาเรียนมหาวิทยาลัยสาสุขภาพอ่อนแอมาก ป่วยแล้วป่วยอีกแอดมิดเข้าโรงพยาบาลต้นเดือนท้ายเดือนการเรียนก็ตกร่างกายก็เหมือนรถที่เก่าๆเดี๋ยวพังตรงนั้นทีเดี๋ยวพังตรงนี้ทีสาไม่มีความรู้เรื่องโรงพยาบาลในกรุงเทพเลยจะไปโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆก็คิวยาวเลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในแหล่งธุรกิจสาแอดมิด ท, ที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ 2-3 ครั้ง จนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เจอเหตุการณ์บางอย่างมันทำให้สาไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้อีกเลยโดยปกติแล้วสาจะเป็นคนจิตแข็งไม่ค่อยกลัวผีไม่ได้มีสัมผัสพิเศษอะไรไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับใดๆแบบจะจกักไม่ใช่คนชอบทำบุญกับวัดนานนานทีจะได้ยินเสียงแปลกๆบ้างแต่คนที่กลัวผีจับใจก็คือรูมเมทของสา แล้วเวลาที่สาป่วยคนที่ไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลก็คือรูเมตนั่นแหละครั้งนั้นสาตอมทอนซินอักเสบตัดสินใจไปโรงพยาบาลช่วงบ่ายหมอก็ให้แอดมิดเลยเพราะว่าไข้ขึ้น40องศาจะกลับหอไปก็ไม่มีใครดูแลได้แต่นอนอยู่บนเตียงเฉยๆรูมเมตมาส่งสาแล้วก็กลับไปเรียนตอนเย็นต่อปล่อยให้สานอนพักอยู่ในห้องคนเดียว ตอนนั้นสาเหมือนกับสลึมสลือมันแปลกอย่างบอกไม่ถูกแต่เห็นปลายเตียงมีผู้หญิงผมยาวปลาบ่าคนหนึ่งในชุดคนไข้ ย, ยืนอยู่เธอตัวค่อนข้างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน155เซนติเมตรรูปร่างผอมแห้งเหมือนคนป่วยทั่วไปผิวขาวซีดออกเหลืองเธอมองมาที่าหน้าบึง้งไม่ยิม้มและพูดว่าเตียงนี้เป็นของฉัน แต่รู้ว่าเธอป่วยไม่ได้จะมาทวงเตียงหรอกเธอพูดเรียบเรียบอาจเป็นเพราะประโยคนี้มันฟังดูแปลกๆสาจึงจำได้ดีขึ้นใจเธอกนนั้นเห็นสาเงียบไปจึงพูดต่อว่าขออะไรสักอย่างได้ไหมขอตาหน่อยถึงแม้จะสลึมสลืออยู่แต่สาก็ตอบกลับเธอแทบจะในทันทีว่าไม่ได้ในใจกุงสาตอนนั้นคิดเพียงแต่ว่า ยกตาให้ใครไม่ได้ถ้ายกให้แล้วจะเอาอะไรใช้สาจึงถามกลับไปว่าขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมเธอก็นั้นเหมือนลังเลไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอเป็นเลือดสาตอบตกลงยังไม่ได้คิดอะไรตั้งใจไว้ว่าถ้าหายดีเมื่อไหร่จะไปบริจาคเลือดให้กับเธอเพราะสมัยเรียนมปลายสาก็ไปบริจาคเลือดอยู่บ่อย แล้วเธอคนนั้นก็หายไปพร้อมกับความฝันแปลกๆในคืนนั้นของสาคืนนั้นเองสาก็ได้ฝันว่าตัวเองนั้นกําลังเป็นคนป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดแต่หาเลือดได้ยากลําบากมากร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เสียชีวิตเมื่อสาตื่นขึ้นมาก็ไม่กล้าเล่าสิ่งที่เจอ กับสิ่งที่ฝันให้รูมเมตที่มาเฝ้าไข้ฟังเพราะกลัวว่าเพื่อนของเธอจะกลัวผีแล้วหนีกลับหอไปแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้สาต้องเล่าเรื่องนี้ให้กับรูมเมตฟังจนได้แล้วคืนก่อนวันที่สาจะออกจากโรงพยาบาลช่วงเวลาประมาณตีสาึงตี4สางัวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียง ส่วนรูมเมทของสา <A> นอนอยู่ตรงโซฟาข้างๆผู้ชายคนนี้ทรงผมสกินเฮดสีสะด้านหน้าดูเหมือนกับล้านใส่แว่นกรอบทรงกลมใส่เสื้อเหมือนบุรุษพยาบาลหรือไม่ก็เทคนิคการแพทย์เขามาจอเลือดสาไปสองเข็มใหญ่ส่วนตัวสาที่กำลังง่วงก็ไม่รู้ว่าเขาจอบไปทำไมสาหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีที่แขนก็มีรอยเข็มฉีดยา แต่ไม่มีพลาสเตอร์แปะห้ามเลือดเหมือนเวลาที่เจาะเลือดตามปกติช่วงเช้าพยาบาลก็เข้ามาวัดไข่สาจึงถามไปว่าเมื่อคืนมีคนเข้ามาเจาะเลือดเอาไปตรวจอะไรเหรอพยาบาลก็บอกว่าไม่มีคุณหมอไม่ได้สั่งเจาะเลือดหรือเช็คเลือดอะไรแล้วสาก็ถามถึงบุรุษพยาบาลคนนั้นที่สาเห็นพยาบาลก็บอกว่า ไม่มีใครในโรงพยาบาลที่มีลักษณะแบบนั้นและก็ไม่เคยเห็นคนที่มีลักษณะแบบนั้นเลยด้วยสาจึงเล่าเรื่องนี้ให้รูมเมตฟังแต่ตอนแรกไม่ได้เล่าเรื่องที่มีผู้หญิงมาขอเลือดเมื่อรูมเมตของสาได้ฟังก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นให้รูมเมตฟังถึงแม้ในตอนนั้นรูมเมตจะกลัวมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ลืมเรื่องนี้ไปจนวันหนึ่งที่กลุ่มเพื่อนของสาได้พูดชื่อโรงพยาบาล น, นี้ขึ้นมาสาก็นึกถึงเรื่องราวครั้งนั้นขึ้นมาได้และก็ได้เล่าให้เพื่อนๆรวมทั้งรูเมดคนนั้นฟังอีกครั้งซึ่งคราวนี้สาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนรูเมดจึงย้อนถามสาว่าแน่ใจหรือว่าคนที่เอาเลือดไปเป็นคน สาไม่รู้คำตอบนั้นเลยจริงๆแต่ที่แน่ๆในกลุ่มเพื่อนของเธอนั้นทุกคนค้นลุกกันหมดส่วนคำสัญญาที่สาให้ไว้กับผู้หญิงคนนั้นตลอดห้าปีมานี้สาไม่เคยมีโอกาสได้ทำให้เธอสักครั้งเพราะไปบริจาคเลือดที่สภากาชาติกี่ครั้งก็เลือดลอยเพราะนอนไม่พอบ้างโปรตีนไม่พอบ้างจึงบริจาคไม่ได้ซึ่งสาเองก็ไม่รู้ว่า เลือดที่ชายคนนั้นเจาะไปจะนับไหมว่าให้เลือดเธอไปแล้วไม่รู้ว่าเธอคนนั้นจะเข้าใจไหมว่าสาบริจาคเลือดให้เธอตามสัญญาไม่ได้ซึ่งสาเองก็ไม่รู้ว่าถ้าสาป่วยแล้วกลับไปเข้าโรงพยาบาล น, นั้นอีกครั้งเธอคนนั้นจะกลับประทวงสัญญากับสาอีกรึเปล่าจะมาในรูปแบบไหนเมื่อคิดได้ดังนั้น สาก็ไม่กล้าที่จะไปเหยียบลงพยาบาลนั้นอีกเลยสัมผัสยอง